ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ห้าบสองเมื่อวานพูดเรื่องทานศีลภาวนาเน้นเรื่องทานก็คิดว่าวันนี้ก็มาพูดต่อวันนี้จะเน้นเรื่องศีลอันนี้ก็ตอนพูดเรื่องทานก็พูดโยงมาแล้วเรื่องศีล ว่าฐานนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนให้ศีลนี่ดำรงอยู่ได้โดยดีเพราะว่าศีลนั้นมุ่งที่การไม่เบียดเบียนกันการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์กับสัย์อื่นอันนี้ก็มนุษย์ต้องอาศัยวัตถุเลี้ยงชีพถ้าหากว่ามนุษย์จะพยายามอยู่ในศีล แต่ว่าคนยังมีความขาดแคลนแร้นแค้นขาดอาหารเป็นต้นการที่จะดำรงอยู่ในศีลก็ทําได้ยากคนที่ขาดแคลนก็ทนไม่ไหวก็ต้องละเมิดศีลโดยที่ว่าอาจจะไปแย่งชิงกันลักขโมยกันศีลก็อยู่ได้ยากนี่เมื่อมีทานมาก็ทําให้คนแบ่งปันกันช่วยเหลือในวัตถุเมื่อวัตถุมีกินมีใช้พออยู่ได้ ศีลก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นก็สนับสนุนกันอันนี้สําหรับคฤหัสถ์นั้นมีชีวิตที่ต้องยุ่งกับวัตถุมากก็เน้นเรื่องฐานขึ้นตน้นทีนี้พอมีทานมานรลุนแล้วศีลเป็นไปได้ดีทีนี้ศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สําหรับชาวบ้านญาติโยมคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยเราก็จะได้ยินกันอยู่เสมอว่าเน้นเรื่องศีลห้า ซึ่งที่จริงเรียกว่าสิขาบท5ก็คือข้อปฏิบัติในการฝึกตนเกี่ยวกับการงดเว้นจากการข่าฟันเบียดเบียนทำร้ายละเมิดต่อร่างกายชีวิตกันเรียกว่าเว้นจากปานาติบาตแล้วก็ข้อ2ก็เว้นจากเรื่องของการละเมิด ก, กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินลักขโมยถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ก็เรียกว่าเว้นจากอธินาทาน ข้อสาก็เว้นจากการละเมิดต่อคู่ครองของรักของหงแหนของผู้อื่นเรียกว่าเว้นจากการเมซสุมิชฌาจารย์แล้วก็ข้อสก็เว้นจากการใช้วาจาละเมิดทำร้ายผู้อื่นหรือว่าทำให้เขาเสียผลประโยชน์โดยการกล่าวเท็จหลอกลวงคำไม่จริงก็เป็นภาษาพระเรียกว่าเว้นจากมุสาวาท แล้วข้อสุดท้ายก็เว้นจากการใช้เครื่องดองของเมาสุรายาเสพติดต่างๆที่จะทำให้ขาดสติทำให้เกิดความประมาทเป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะนี่ก็เป็นเรื่องของสิกขาบทหที่เรียกภาษาชาวบ้านว่าสีห้าเวลามี พิธีต่างๆในพุทธศาสนาก็เลยเราก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าให้รักษาข้อปฏิบัติทั้ง5้าข้อนี้ก็จะมีการรับศีลห้ากันทุกทีแต่ จ, จนกระทั่งรับกันไปพอเป็นพิธีพอพูดออกไปแล้วก็เลยไม่ได้นึกแต่ว่าที่จริงนั้นเป็นการเตือนใจอยู่เสมอว่าเอานะต้องอยู่กันได้ศีลห้า แต่ว่าเวลาญาติโยมขออารัธนาศีลพระก็ให้สิกขาบทหโยมขอศีลพระให้สิกขาบททุกทีไปโยมบอกว่ามายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัดฐายะติสรรเนนสหปัญจศีลานินะปัญจศีลานิยาจามะขปเจ้าทั้งหลายขอศีลแต่เวลาพระให้เนี่ยพระให้สิกขาบท จะบอกว่าปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังนี่สิกขาบทไม่มีคำว่าศีลแล้วพระสรุปท้ายก็บอกว่าพอจบข้อสุราพระก็จะบอกว่าอิมานิปัญจะสิกขาประทานินี่ว่างั้ยสิกขาบทนีบอกบอกสิกขาบทเนี่ยโยมขอศีลแต่พระให้สิกขาบททุกทีไปเนีเพราะว่าเท่ากับบอกว่าโยม ศีลเนี่ยมาเกิดที่ตัวเองนะฮะต้องรักษาปฏิบัติเอาใครให้กันไม่ได้ศีลมันเป็นคุณสมบัติที่ตัวเองเมื่อท่านเอาสิกขาบทนี้ไปปฏิบัติท่านก็เป็นผู้มีศีลเองพอต่อจากนั้นจบแล้วพระจิงบอกศีเลนัสุขติังยันติเอาและพอท่านมีศีลด้วยการปฏิบัติตามสิกขาบทนี้ก็จะได้อานิสงส์นั่นจะสรุปท้ายตอนนั้นตอนนั้นเป็นพูดเรื่องศีแลแหละอันนี้เป็นเกร็ดความจริงเคยพูดไปแล้ว เอามาเล่าซ้าๆเนี่ยในเรื่องศีลห้าก็พูดไปปนอยู่กับเมื่อวานแล้วด้วยนี่จุดที่น่าสังเกตก็คือว่าศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสสำหรับชาวบ้านผู้ครองเรือนเนี่ยอย่างที่ว่าเน้นเรื่องศีลห้าหรือสิกขาบทห้านี้อันนี้เรามาเรียนเรื่องศีลกันเนี่ยก็บอกแล้วว่าศีล น, นั้นเป็นเรื่องของการสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางสังคมและทางวัตถุคือใช้กายวาจาของเราเนี่ยหรือว่าพูดให้เต็มว่าพฤติกรรมทางกายวาจาของเราเนี่ยไปสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์บ้างไปสัมพันธ์กับวัตถุเช่นปัจจัยสีบ้างเพราะฉะนั้นศีของพระนี่จะกว้างมาก227ข้อที่เรียกวสิกขาบท227เนี่ย จะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการสัมพันธ์กับคนอื่นเท่านั้นจะมีศีลหรือิกขาบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยสี่เรื่องอาหารเครื่องหนุงห่มที่อยู่อาศัยเนี่ยเยอะหมดเลยเข้าไปต้องไม่รู้เท่าไหร่อาจจะมากกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นได้ซ้ำเพราะฉะนั้นส่วนที่เราไม่อาจจะมองข้ามได้ก็คือว่า ศีลในแง่ที่สัมพันธ์กับวัตถุไม่ใช่สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์อย่างเดียวแล้วถ้าสรุปศีลของพระหรือสิกขาบทสำหรับพระเนี่ยเวลาฝึกพระในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็จะจัดโดยที่แยกเรื่องการปฏิบัติต่อปั จ, จัจสี่เรื่องวัตถุนี้ออกไปว่าผู้เข้ามาในบวชถ้าบวชในพระธรรมวินัยนี้นะเริ่มต้นก็เรื่องฝึกกันในศีล แล้วก็ฝึกอินทสียสังวรเรื่องของการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมนิกศีลแล้วก็ฝึกเรื่องโพชเนมัตตัญญุตาการรู้จักกินให้พอดีกินด้วยปัญญากินเป็นบริโภคเป็นหรือว่ากินอย่างรู้จักประมาณนะบริโภคอย่างพอดี อันนี้อยู่ในศีลทั้งนั้นซึ่งเป็นศีลที่เน้นในการฝึกสําหรับพระภิกษุหรือว่าผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้สำหรับคารืหัดเนี่ยเราอาจจะมองข้ามเราก็เลยไปหยุดกันแค่ศีลหความจริงในครอบครัวนี่จะต้องฝึกให้มากเรื่องอินทรียสับวรเรื่องการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายตลอดจนกระทั้งใจโดยเฉพาะก็ตาหูนี่แหละ ก็ทำไงจะดูเป็นฟังเป็นใช้ตาดูหูฟังแล้วไม่เกิดโทษเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์กับชีวิตใช้ตาดูแลได้ความรู้ได้สติปัญญาได้ความดีงามได้คติที่เป็นประโยชน์พูดง่ายๆก็คือใช้ตาเพื่อการศึกษาไม่ใช้ตาหูเพียงเพื่อเสพหาความสนุกสนานบันเทิงดูทีวีก็ได้แต่ สนุกบันเทิงอย่างเดียวดูทีวีไม่เป็นถ้าดูทีวีเป็นก็ใช้ประ่ศึกษาก็ใช้ได้ความรู้ได้สติปัญญาตอนนี้ต้องฝึกมากในครอบครัวเรามักจะเน้น เ, เราจะเรามองข้ามเรื่องการศึกษาขั้นต้นเนี่ยเรามายกให้พระพระเองก็บางทีก็ลืมเหมือนกันนะแล้วก็โภชเนมัตตัญญุตาการฝึกในเรื่องการบริโภค การกินอาหารกินเป็นกินได้ปัญญาทำไงอยกินจะเพียงเสพรสอร่อยอย่างเดียวนะให้กินได้ปัญญาเข้าใจความมุ่งหมายของการกินว่าที่แท้แล้วมันกินเพื่อร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บเนะีต้องกินเพื่ออันนี้ต้องกินโดยพอดีโดยปริมาณพอดีโดยประเภทอาหารที่มีคุณค่าเนี่ยเป็นการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้นเลย ดังนั้นสำหรับคฤหัสถ์นี่ก็จะต้องพยายามเน้นเรื่องศีลในแง่ของความสัมพันธ์กับพวกวัตถุโดยเฉพาะปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพมิฉะนั้นเด็กก็ติดนิสัยเวลาอยู่ในบ้านไปไหนไปไหนไปโรงเรียนอะไรก็ไม่ได้ฝึกเรื่องนี้ก็จะมุ่งกินก็เพื่อเสพรสนะไม่รู้จักประมาณในการกินกินได้ตันหาไม่ได้กินด้ปัญญา ใช้ตาหูจมูกลิ้นก็ใช้ไม่เป็นดูไม่เป็นฟังไม่เป็นนะเพราะนั้นไปทําอะไรมันก็ออกไปในเรื่องตันหาหมดไม่ออกมาทางปัญญาเลยมันก็ไม่ก้าวจากความเป็นนักเสพไปสู่ความเป็นนักศึกษาและสร้างสรรค์ใช่ไหมมันก็อยู่แค่เสพทีนี้พอเราฝึกศีลเอาแล้วนะอันนี้เรามาดูของคระหัสอีกทีหนึ่งเป็นอันว่า ศีลเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในสังคมและสัมพันธ์กับวัตถุปัจจัยในแง่ความสัมพันธ์กับสังคมก็ได้แก่ศิกขาบทหหรือศีลห้าเอาละไม่เบียดเบียนกันและยังมีทานมนุนอีกทําให้เผื่อแผ่แบ่งปันกันคนอยู่กันไม่ขาดแคลนเกินไปไม่ต้องมาล่วงละเมิดกันก็สังคมก็อยู่กันได้เรียบร้อยพอประมาณแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอานะท่านมีศีลหหรือศิกขาบทหเนี่ย ก็พออยู่กันได้นะแต่ยังไม่เป็นหลักประกันว่าจะมีความสุขจริงนะเพราะว่าศีลห้านี่นี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องโภชเนมตันยุตาและอินทรียสังวรนะไม่พูดถึงการฝึกอินทรีย์ตาหูแล้วก็ไม่ได้ไม่พูดถึงการฝึกในเรื่องการบริโภคเอาแค่ศีลห้าก่อนศีลห้าไม่เบียดเบียนกันในทางสังคมแล้วเราก็บอกว่าถ้าท่านอยู่ในศีลห้าหรือศิกขาบทหเนี่ยสังคมพออยู่กันได้ ไม่เบียดเบียนกันแต่ว่าต่างคนต่างก็ยังคิดหาวัตถุมากเอาละท่านจะหาเท่าไรหาไปแต่ขออย่าให้ละเมิดห้าข้อเนี่ยเพราะถ้าขืนละเมิดหข้อนี้อยู่กันไม่เป็นสุขแน่สังคมนี้ต้องเดือดร้อนลุกเป็นไฟนั้นท่านจะหาหาไปหาความสุขจากวัตถุแต่ขออย่าให้ละเมิดหข้อนี้แล้วท่านจะพออยู่กันได้แต่ว่ายังไม่เป็นหลักประกันว่าจะมีความสุขจริง เพรความสุขนั้นจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปอีกอยู่แค่ขั้นนี้ก็ควบคุมควบคุมความเป็นนักเสพนักบริโภคของท่านให้อยู่ในขอบเขตที่จะไม่เบียดเบียนแย่งชิงกันเกินไปนี้เพื่อจะให้พัฒนาต่อพระพุทธเจ้าก็จัดเรื่องศีลเพิ่มเข้ามาศีลต่อไปที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยสำหรับมาฝึกขัดพระพุทธเจ้าจะไม่เรียกร้องมา เป็นศีลที่จะฝึกตัวเองในการที่ว่าเพื่อเชื่อมต่อกับเรื่องของการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาตอนนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติทุกวันไดยซ้ำพระพุทธเจ้าจะจัดบอกเอาแค่สัก8วันครั้งหนึ่งหรือเดือนละสักสี่ครั้งถ้ามีความเพียรก็เพิ่มเป็นสองเท่าจากเดือนละสี่ครั้งเป็นเดือนละ8ดครั้งงนะ ศีลนี้คือศีลอะไรเอ่ย <c oughs> คือศีลแปดนะหรือเราเรียกกันว่าอุโบสถนะนี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นมาศีลแปดเนี่ยจะเป็นการฝึกเพิ่มขึ้นแล้วศีลแปดนี้จะมาเน้นเรื่องความสัมพันธ์กับพ ว, วัตถุเสพนะีสิ่งเสพแหละศีลหนน้เน้นเรื่องสังคมจะเห็นว่าเรื่องอินทรีย์สังวรเรื่องการฝึกอินทรีย์และวก็เรื่องของการฝึก เรื่องการบริโภคเนี่ยจะมาอยู่ในศีล8ปขอให้ลองดูเถอะตาละครฤิ์หัสถ้าไม่ได้ฝึกกันในชีวิตประจำวันในเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งเสพบริโภคแล้วก็เรื่องการฝึกตาหูก็มาฝึกสักเจวันครั้งหนึ่งที่ศีล8เนี่ยเรามาดูกันนะศีล8ก็เพิ่มจากศีลห้าศีลห้ามีเว้นจากปานาติบาตอย่างที่เราว่ากันไปแล้ว พอมาเป็นศินแปดเพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่มข้อที่หก็วิกาละโภชนาเว้นจากการบริโภคอาหารผิดเวลาเกินเวลาเกินจำเป็นของเวลาน่ก็เอาว่าเที่ยงไปแล้วไม่ต้องรับประทานเพราะว่าแค่ภายในครึ่งวันนี้รับประทานพอแล้วท่านวองนั้นแล้วเดี๋ยวนี้หมอหมอเจอเยอะเลยหมอบอก ไปไปมามากของพระพุทธเจ้าถูกอาหารมื้อหลังจากเที่ยงเนี่ยไม่จําเป็นเลยนีแล้วก็ถ้ากินแค่ภายในเที่ยงกลับดีต่อสุขภาพเดี๋ยวนี้หมอกลับว่าไปอย่างนั้นแต่ก่อนนี่หาว่าพระนี่อยู่ยังไงผิด ธ, ธรรมชาติว่างันเนี่ยชันน้อยไม่พอต่อร่างกายมาหมอเดี๋ยวนี้กลับมาเห็นด้วยเนีบอกว่าดีและถูกต้องอาหารเย็นเกินจําเป็นว่างนันไปอีกนีเอาแล้วนะวิกาลโภชนาะ หเรื่องอาหารแล้ม่เกี่ยวกับผู้คนอื่นเลยใช่ไหมนะเป็นเรื่องการบริโภคละบริโภคอาหารนะได้ข้อโภชนีมัตต์ยูตา ม, มาแล้วใช่ไหมนี่ต่อไปอะไรนัจคีตวาทิตวิสูกทัทสนะมาลาคันทวิเลปนธาารณะรณณวิภูสนตฐานาเวรมณีเว้นจากเรื่องการดูการเล่นฟ้อนรำขับร้องดนตรีทัดทรงของหอมอะไรพวกนี้เครื่องแต่งตัวประดับ เอานะเจ็ดแปดวันทีนี่นี่เรื่องอะไรเ ร, ไเรื่องการใช้ตาหูจมูกใช่ไหมลิ้นเรื่องการใช้ตาหูจมูกนี่มาอยู่ที่นี่แล้วน่ะดูกายละเล่นดนตรีฟังนะฟังแล้วก็จมูกดมกลิ่นใช่ไหมแล้วก็ไอล้ลิ้นลิ้มรสก็ไปอยู่ข้ออาหารแล้ว น, นี่ก็น่าจะคีมาลามาแล้วใช่ไหมต่อไปอุจจาเสนะมหาเสนาเว้นจากเรื่องของการนอนที่นอน สูงใหญ่ฟูฟูที่หนาที่นอนสบายบำเลอกายนี่ก็คือเรื่องการใช้สัมผัสกายใช่ไหมไม่บำรุงบำเบอครบแล้ว8ข้อแล้วยังไปเปลี่ยนข้อ3จากกาเมสุมิฉาจายเป็นอภรรมจริยาเนี่ยก็ตกลงว่าศีล8มาแล้วศีล8ดนี้เห็นได้เลยไม่เกี่ยวกับเรื่องการเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมเป็นเรื่องของ การปฏิบัติต่อวัตถุสิ่งเสพสิ่งบริโภคแล้วไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคือเป็นไม่ไม่ใช่ด้านสังคมแล้วก็เป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นแต่เป็นเรื่องของตัวเองแหละถ้าศีลห้าข้อนีเป็นเรื่องการละเมิดต่อคนอื่นแต่พอศีลแปดนี่เป็นเรื่องของตัวเองแหละเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องของการ ฟอนลำขับร้องดนตรีดูการด น, นเล่นเรื่องของการนอนที่นอนสูงใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นได้ว่านี่มาแล้วการฝึกในเรื่องที่พระพุทธเจ้าเน้นสําหรับพระคือศีลในแง่ความสัมพันธ์การวัตถุสิ่งเสพสิ่งบริโภคซึ่งพระพุทธเจ้าก็สรุปไว้แล้วว่าอินทรียสังวรการรู้จักใช้ตาดูหูฟังให้เป็นว่า ตาดูหูฟังอย่างไรจะไม่เกิดโทษไม่เกิดความรุ่มหลงมงัวเมาไม่หลงละเลงเพลดิดเพลินแล้วก็ฟุ่มเฟือยเกินไปเบียดเบียนแย่งชิงกันแต่ว่าให้ใช้ตาดูหูฟังให้เกิดประโยชน์ดูเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้และความดีงามฟังก็เช่นเดียวกันตอนนี้เคยดูทีวีมาเจวันดูรายการบันเทิงเยอะ พอมาวันนี้ปั๊บเปลี่ยนรายการทีวีเป็นดูหาความรู้นะอย่างน้อยได้วันแหละดูหาเตรียมไว้เลยว่าวันที่7วันที่8นี้ต้องดูรายการที่เป็นประโยชน์ตั้งใจไว้นะอย่างเด็กก็เหมือนการฝึกเด็กก็บอกว่าเอาล้ตามใจหนูมาเจวันและวันนี้มาเปลี่ยนสักทีขอวันหนึ่งมาดูรายการที่เป็นความรู้เนะี่ยดูเพื่อการศึกษาวันหนึ่งนะี่นี่ก็ถือศีลอุโบสถและสำหรับเด็ก ไม่ใช่ต้องไปนั่งงดเว้นไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมเปลี่ยนรายการทีวีเท่านั้นเองเปลี่ยนจากรายการบันเทิงสนุกสนานไม่เข้าเรื่องมาเป็นรายการที่มีสาระเป็นประโยชน์สวรรค์ก็เปลี่ยนหมดแหละพอถึงวันที่แปดก็เอาให้เข้ากับศีลแปดข้อเนี่ยนี่ก็คือฝึกศีลศีลในแง่ที่สัมพันธ์กับวัตถุสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพซึ่งทางพระ เคยบอกแล้วว่าเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ากายภาวนาใช่ไหมฮะเนี่ได้ากายยภาวนาเข้ามาทีนี้ของเรานี่เราไม่ค่อยได้ฝึกกันเรามองศีลก็แค่ศีลห้าไม่ได้มองเรื่องการฝึกด้านชีวิตด้านวัตถุสิ่งเสบบริโภคได้ล้วครับเข้ามาแล้วอันนี้จะได้อะไรขึ้นมาอีกบ้างก็แปลว่าฝึกด้านนี้ก็ได้หนึ่งก็ชีวิต ก็จะไม่หลงโมเมาในสิ่งเสพเกินไปสิ่งเบืบริโภคแล้วก็ไม่ได้รับโทษภัยจากสิ่งเสพเหล่านั้นที่บริโภคด้วยตัณหาไม่ได้บริโภคด้วยปัญญาลุ่มหลงโมเมาแล้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะซึ่งเสียทั้งแก่ตนเองและแก่สังคมแล้วก็ฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุตัดไปเลยทําให้ประหยัดไปด้วยอันนี้ก็ความเป็นนักเสพก็ถูกจํากัดแหละถ้าเรา เอาแค่ศีลห้านี่ยังไม่เป็นหลักประกันใช่ไหมเรายังได้แค่ไม่เบียดเบียนกับเพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมกันได้ดีแต่ว่าอาจจะยังมัวเมาลุ่มหลงกับเรื่องวัตถุเสพ บ, บริโภคอยู่ความเป็นนักเสพยังมากอยู่พอศีลแปมาช่วยกํา ก, กับก็ทําให้ความเป็นนักเสพนักบริโภคนั้นอยู่ในขอบเขตทีนี้พอใช้ตาดูหูฟังเป็นนะต่อไปก็พัฒนาความเป็นนักศึกษาละทีนี้ ความเป็นนักศึกษาก็คือการใช้ตาดูหูฟังเพื่อความรู้เพื่อสติปัญญาเพื่อความดีงามนะใช้ตาดูหูฟังเพื่อสนองความใฝ่รู้ใช้เพื่อเรียนรู้ใช้เพื่อศึกษาใช่ก็พัฒนาความเป็นนักศึกษาแล้วต่อจากนั้นก็ตามมาด้วยอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าพอความเป็นนักศึกษาการใช้ตาดูหูฟังเพื่อการเรียนรู้ตามมาแล้วก็จะก้าไปสู่ความใฝ่ดีไปสู่การสร้างสรรค์ ก็จะพัฒนาความเป็นนักสร้างสรรค์ตอนนี้การศึกษาก็จะก้าวไปเลยเนะกะแปันว่าไม่อยู่แค่เป็นนักเสพนักบริโภคมาเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นนักสร้างสรรค์แล้วเรามีทานไปแล้วนี่ที่พูดเมื่อวานก็เป็นนักให้อีกใช่ถ้าคนเราได้ครบหนึ่งเป็นนักเสพแต่อยู่พอประมาณ สองเป็นนักศึกษาด้วยสามเป็นนักสร้างสารรสีเป็นนักให้ด้วยพอแล้วสังคมอยู่ได้สบายใช่มเพราะนั้นหลักพระพุทธเจ้านี่ครบบริบูรณ์อา้าวทีนี้ได้อะไรอีกก็ได้ความมีอิสรภาพพอเรามาเพิ่มเรื่องสิ่งแปดนี่เป็นการฝึกตัวเองให้ขึ้นต่อ ว, วัตถุเสษบริโภคน้อยลง คนเรานี่ตอนแรกเราก็มุ่งหาความสุขจากวัตถุเสรบริโภคอาหารอร่อยลิ้นสิ่งที่มาบำรุงตาหูจมูกลิ้นหามาให้มากต้องเสพให้มากจึงจะมีความสุขก็บำรุงบำรเรือหามาหามาต่อมาปรากฏว่าความสุขของตนเองนี้ไปขึ้นแต่ ว, วัตถุภายนอกหมดเลยยิ่งหามามากยิ่งเสพมากต่อไปนะมันต้องเพิ่มปริมาณต้องเพิ่มดีกรีของสิ่งเสพ เคยมีปริมาณเท่านี้สุกต่อมาปริมาณเท่านั้นไม่พอต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มไปเพิ่มไปให้ความสุขในตัวลดลงความสุขของตัวนี้ไปขึ้นแต่ ว, วัตถุเสพหมดถ้าขาดวัตถุเสพเหล่านั้นยิ่งสมัยนี้ เ, นเทคโนโลยีพัฒนาขาดเทคโนโลยีขาดทีวีขาดอะไรอยู่ไม่ได้มีแต่ความทุกข์แล้วคนสมัยก่อนไม่มีทีวีดูอยู่ได้ยังไงใช่อ้าวทาไมคนสมัยนี้ ข, า, ขาดแล้วโอยทุรนทุราย เนี่ยเพราะว่าเอาชีวิตเอาความสุขของตัวเองเนี่ยไปฝากไปพึ่งพาไปขึ้นต่อ ว, วัตถุเสพหมดนั้นเป็นชีวิตที่หมดอิสรภาพนึกว่าตัวเองเก่งหาได้มากปรากฏว่าเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในตัวเองในการที่จะสร้างสารรค์ความสุขเอาความสุขและชีวิตไปขึ้นต่อ ว, วัตถุเสพ บ, บริโภคหมดเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นผู้ที่พึ่งพา ดัง น, นั้นลักษณะพึ่งพาต่อเทคโนโลยีก็เกิดขึ้นที่ฝรั่งเรียกว่า technological dependence นะก็พึ่งพาวัตถุเสบบริโภคพึ่งพาเทคโนโลยีในสองด้านหนึ่งในด้านการดำเนินชีวิตและกิจการงานสองพึ่งพาในด้านความสุขหมายความว่าขาดสิ่งเหล่านั้นแล้วขาดสิ่งบำรุงมาเลยแล้ ว, ลวหาความสุขไม่ได้ที น, นี้การที่มีศีล8หรือสิกขาบท8 อุโบสถนี่ก็มาเตือนตัวเองไว้ให้ระวังตัวไม่เอาชีวิตเอาความสุขไปขึ้นต่อวัตถุเสพเกินไปพอถึงแดวันทีหนึ่งอา้าวกินแค่เที่ยงงดดูการบันเทิงงดฟังเรื่องดนตรีอะไรต่างๆงดไม่ต้องนอนบนฟูกฟูดูซิว่าเราอยู่กับชีวิตของเราโดยมีวัตถุเสพแต่เพียงเท่าที่พออยู่ได้เนะี่ยอยู่ได้ ดีมีความสุขไหมนะ่ไม่ต้องไปขึ้นต่มันนะเราเป็นอิสระสักวันหนึ่งก็ปรากฏว่าอยู่ได้นะี่ทีนี้มันยิ่งกันนั้นก็คือว่าพอเราเป็นอิสระจากมันเราสงวนเวลาไอ้เวลาที่เคยไปทุ่มเทในการหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เรามีเวลาขึ้นลเอาเวลาไปดูทีวีบันเทิงสเสียเวลาไปเยอะวันนั้นนี่เราเป็นวันที่ปลอดโปร่งวันหนึ่งเราเอาเวลานั้นไปทา กิจกรรมที่ดีงามกิจกรรมที่พัฒนาสติปัญญาจิตใจของตัวเองใช่ไหมอย่างบางคนก็ไปนั่งสมาธิหรือบางคนก็ไปทําไปดูหนังสือไปหาความรู้เอาเวลานั้นนะ่ะอย่างครึ่งวันหลังนี่ก็ปโปร่งหมดก็ไปหาความรู้หรือไปทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เวลานั้นก็เป็นประโยชน์ทขาเรียกว่าทำอนาวัชกรรมนะ อุโบสถนี่ก็เป็นอนวัชกรรมอยู่ในมงคล38ประการในคาถาที่เท่าไรที่หใช่ไหมหนึ่งอสวนาจพารานัง<ม>ชุดที่สองปฏิรูปรเทสวาสโศชุดที่สมเรียกาหาวสัจจจะชุดที่สี่มาตาปิตุปทานังคาถาที่ห้าก็ทานันจะธรรมจุยาจะยาตการันจะสังขโหอนวัชานิกรร ม, มนี่อนวัชกรรมเนี่ยได้แก่อุโบสถ แล ก, ก, กิจกรรมสร้างสารรค์บาเพ็นประโยชน์กัเพื่อนมนุษย์ไปสร้างสะพานไปปลูกต้นไม้ไปทําอะไรต่างๆแล้วเนี่ยท่านบรรยายไว้เลยก็พอเรารักษาโภชน์เวลาเราเหลือเฟือหนึ่งชีวิตเราก็เป็นอิสระจากวัตถุความสุขของเราไม่ขึ้นต่อมันเราเวลานี้มาใช้ในการพัฒนาชีวิตด้านจิตใจด้านปัญญาแสวงหาความรู้แล้วด้านบําเพ็ญประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์สบายไปเลยวันหนึ่งนี่ เพราะนันพระพุทธเจ้าไม่เรียกร้องมากว่าเอาแล้วคุณจะหาวัตถุเสพหาไปเจ็ดวันแต่วันที่แปดขอวันหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณเองก็จะมีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นด้วยแล้วเสร็จแล้วเวลาก็เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเพื่อนมนุษย์ทั้งในเวลาเดียวกันด้านหนึ่งก็เสพ บ, บริโภคน้อยก็เบียดเบียนกันน้อยลงทาลายทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงด้วยข้อปฏิบัติแค่นี้ เมืองไทยก็ทําไม่ได้ทําไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยถ้าทําได้หลักนี่มันดีเหลือเกินแก้ปัญหาสังคมได้หมดเลยแปลกนะเมืองไทยนี่เนะีเป็นเมืองที่นับถือพุทธศาสนาแล้วในครอบครัวนี้ต้องถือหลักนี้เลยถ้าฝึกลูกว่าอย่างนี้นะสบายเลยแก้ปัญหาได้ถ้าให้ตามใจลูกเป็นนักเสพนักบริโภคเตรียมรับปัญหาได้เลยต่อไปพ่อแม่จะต้องเดือดร้อน ตามใจลูกไม่มีที่สิ้นสุดลูกจะเอาโน่นเอานี้พัฒนาเขาให้เป็นนักเสพนี่อยู่ได้ตันหาตลอดเวลาโตขึ้นมาก็เรียกร้องจะเอาโน่นเอานี้ความสุขอยู่ที่วัตถุจิตใจความสุขไปขึ้นเป็นธาตุเป็นอะไรเป็นเมืองขึ้นคำวัตถุหมดเลยไม่เป็นอิสระภาพเท่านี้พอเราฝึกอย่างนี้ปั๊บนี่เด็กมีอิสรภาพมากขึ้นเป็นนักศึกษานัก ส, สร้างสรรหาความสุขจากการเรียนรู้หาความสุขจากการ อ่านหนังสือจากการพัฒนาปัญญาจากการสร้างสรรชอบประดิษฐ์คิดค้นทำนนทำนี้แล้วก็อยู่กับเพื่อนมนุษย์ได้ดีเนี่ยดีไปหมดเลยก็ไม่ต้องไปหาหลักการศึกษาอะไรมากอยู่ที่นี่หมดแหละนะฮะันนั้นศีลแปดเนี่ย ไ, ไปมองแค่ว่าญาติโยมก็มองไปว่าโอ้ไปวัดทำบุญได้บุญไปรักษาศีลแปดมองแค่นี้ไม่ได้มองว่าที่แทนนี่ศีลแปดนี่ ตัวสาคัญเลยเป็นสิกขาบทข้อฝึกนี่ใช่ข้อฝึกเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีอิสระภาพมากขึ้นขึ้นแต่ ว, วัตถุเสพน้อยลงพอเป็นอิสระมากขึ้นครนี้เราสามารถอยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ต้องขึ้นแต่ ว, วัตถุกเกินไปเพราะนั้นเราเคยนอนถ้าไม่มีฟูกมีฟูนอนไม่ได้นอนเบานอนเมาะนอนละไอย่างสบายแล้วไม่มีความสุข พอเราฝึกเรื่องศีลแปดแวันทีลรานอนพื้นนอนกระดานนอนเสื่อก็ได้เราเป็นอิสระจะไปไหนก็สบายแล้วแถมไม่ปวดหลังอีกใช่ไหมแกโรคปวดหลังบางคนนอนเบาะนอนเหมาะจนกลายเป็นโรคปวดหลังเพราะต้องมานอนพื้นนอนเสือหายนอนกระดานสบายนี้ต่อไปเราก็บอกว่าฉันนอนพื้นนอนเสือฉันนอนกระดานฉันก็สบายไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรใช่ไหมนอนได้นี่ถ้าคนที่ไม่ฝึกเนี่ย ขาดไม่ได้ถ้านอนพื้นนอนเสือ่อแล้วทุรนทุลายนอนไม่หลับนี่เราฝึกไว้แล้วนี่ต่อไปเราก็จะเป็นอิสระมากขึ้นถ้าคนที่เป็นนักเสพบริโภคนี่มันต้องมีวัตถุเสพถ้าไม่มีแล้วมันอยู่ไม่ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุเสพเทคโนโลยีเหล่านั้นต้องมีฉั้นจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีชั้นตายเลยว่ากันน่ทีนี้พอฝึกแล้วนะพอฝึกให้เป็นอิสระต่อไปก็จะพูดว่าเออวัตถุสิ่งเสพเหล่านั้น มีก็ดีไม่มีก็ได้เพ า, างั้นนะให้มันพูดได้อย่างนี้เรายังมีอิสระภาพอยู่นะถ้าวัตถุสิ่งเสพถ้าเราพูดได้อย่างนี้นะบอกมีก็ดีไม่มีก็ได้แสดงว่าเรายัางมีอิสรภาพอา้ามีก็ดีมีก็ดีก็ใช้มันไปแต่ไม่มีฉันก็อยู่ได้นะนี่เรียกว่ารักษาอิสรภาพขั้นที่หนึ่งต่อไปวัตถุเสพ บ, บางชนิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่จําเป็นมันเกะกะมันรกลงลางมันทําให้เราวุ่นวายเป็นภาระเราก็พูดว่า มีก็ได้ไม่มีก็ดีว่าไงเอ่ยมีก็ได้ไม่มีก็ดีแสดงว่าก้าไปคั้นใช่ไหมเนี่ยแต่ก่อนนี้ต้องมีจึงอยู่ได้ตอนนี้บอกว่ามีก็ได้มีก็ได้ฉันก็ไม่หวาไรฉันก็ใช้ไปแต่ไม่มีก็ดีไม่มีฉันจะได้สบายล่งโปร่งไปไหนก็ได้อย่างที่พรุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าเราฝึกดีแล้วนะจะเป็นเหมือนนกที่มีปีกสองปีกคิดจะไปไหนก็ไปได้เลยใช่ไหมไม่ต้องห่วงถ้าคนนี่มัน ไม่เป็นอิสระนี่มันไปไหนไม่ได้ลนะนมันไม่ใช่มีแค่สองปีกแนละมันมีอะไรแต่ไรพลังพลังหมดเลยนะตัวมันก็ยกปีกบินไม่ขึ้นนะ น, นั้นนี่แหละนะการฝึกในเรื่องของศีลแปดนี่มีประโยชน์มากรักษาอิสรภาพนี่ก็จะเป็นตัวเชื่อมเราเข้าสู่การพัฒนาจิตใจได้เต็มที่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้เราไม่ต้องเอาเวลาไปวุ่นวายทุ่มเทกันเรื่องของการหาวัตถุเสพใช่ เรามีเวลาของเรามีแรงงานเหลือเฟือเราความคิดความอ่านเราก็ไม่ต้องไปบุ้นกับเรื่องเหล่านั้นแรงงานเวลาความคิดของเรานี้เอามาใช้ในสิ่งที่ดีงามในการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาชีวิตจิตใจและปัญญาของตนเองก็เป็นการก้าวไปสู่ด้านจิตใจปัญญานี่ถ้าคนมายุ่งกับเรื่องวัตถุเสพมากเนี่ยมันอยู่แค่ขั้นกายเท่านั้นไปไหนไม่ได้พัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาได้ยากนะ เพราะนั้นศีลแปดเป็นตัวเชื่อมเพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่สูงขึ้นไปมีความเป็นอิสระจากวัตถุมากขึ้นเอาก็มาดูรายละเอียดนิดหน่อยแปลว่าหลักการได้แล้วนี้รายละเอียดก็คือว่าเรื่องศีลห้ากับศีลแปดจะเห็นได้ว่าตอนที่อยู่ในศีลห้าเนี่ยจะไม่มีเรื่องของการห้าม เรื่องดนตรีฟ้อนรำขับร้องเชิญตามสบายใช่แต่ว่าท่านก็มีอันหนึ่งก็คือว่าในขณะที่ยังใช้พึ่เพลงเรื่องดนตรีเรื่องการละเล่นสนุกสนานบันเทิงนีถ้าจะให้ดีขอให้เป็นเรื่องน้มนำมาสู่กุศลเราก็เลยใช้สำหรับชาวบ้านเนี่ยดนตรีเพลงอะไรตน้ตนๆเนี่ยใช้ได้ในระดับศิลปะไม่ได้ผิดอะไรนี่ใช่ อย่าไปเป็นปฏิปักษ์อย่าไปขัดไปอะไรใดให้บุ้นไปหมดนะคือพุทธศาสนานี่มองคนแบบพัฒนาจเจริญขึ้นไปไม่ใช่มองตายตัวเด็ดขาดต้องเอาอย่างนี้ถ้าเป็นชาวพุทธเราต้องอยู่อย่างนี้ถ้ามาอยู่อย่างนี้ผิดนี่อย่างเงี้ยนี่มันทําให้เกิดปัญหาเถียงกันด้วยแล้วก็ไม่เข้าหลักเข้าการไม่เข้าสู่หลักการศึกษาพัฒนาคนเราต้องมองคนว่าเออเขาก็ต้องค่อยๆศึกษาพัฒนาชีวิตขึ้นไปนะ นี่เขาอยู่ในระดับชาวบ้านธรรมดาเอาละโดยชั่วไปชีวิตเขาเอาศินห้าก็พอไม่ให้เบียดเบียนกันทีนี้ในแง่ของการจะฟอ้อนรำขับร้องการละเล่นดนตรีก็ปล่อยเขาแต่ว่าเราเข้าไปเกี่ยวคือว่าทำไงจะใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือดึงเขาไปสู่สิ่งดีงามอันนั้นก็อย่าให้เป็นดนตรีเพลงอะไรต่างๆการละเล่นมันที่มันเสียหายไร้สินธรรม ที่มันชักจูงจิตใจให้มกมุ่นมัวเมาหลงและเหลือไปใช้มันในทางที่พัฒนาจิตใจเขาให้ประณีตยิ่งขึ้นนั้นะเราก็หาทางทำให้เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ชักจูงจิตใจมาสู่ความดีงามอย่างบทสวดมนต์เนี่ยถ้าเรียกภาษาบาลีก็เรียกก็เพลงเหมือนกันการสวดของพระนี่ภาษาบาลีก็ใช้คำเดียวกับคาว่าเพลงนะฮะการสวดใช้ภาษา บาลีว่าคายนาหรือขีติคีตะใช่ไหมขีตะสังคีตนี้เป็นเรื่องดนตรีการร้องการร้องพวกนี้เป็นเรื่องของขีตะขีดคายนาและการสวดมนต์ก็เช่นเดียวกันใช้ศัพท์เดียวกันนั่นก็หมายความว่าเราเอาการสวดการร้องเพลงเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในทางทำให้ดีเพราะนั้นเพลง เพลงเ้าชาบ่ายก็พยายามอย่าให้เป็นเพลงที่มันชักจูงจิตใจให้ตกต่ำลงให้รุ่มหลงม่มเมาเอาเพลงเนี่ยมาเป็นเครื่องมือช่วยทำให้จิตใจประนีตขึ้นก็หาทางแต่งเพลงที่มันดีๆนะให้คติทาให้บทเรียนชีวิตนะให้คนเกิดสติปัญญามองสิ่งต่างๆได้วความรู้สึกที่ดีงามชื่นชมธรรมชาติอะไรต่างๆแล้วเนี่ย จูงจิตไปสู่สิ่งที่ดีงามทำได้ความมุ่งหมายคือทำได้ปัญญาไม่ได้ทำได้อวิชชาโมหะนี้เพลงเดี๋ยวนี้มันทำได้โลภะโทสะโมหะมากใช่เพลงที่มีเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์นี่หายากเพลงที่ช่วยทำให้จิตใจมีความรักเพื่อนมนุษย์มีเมตตาไม่ตรีกันเพลงที่ทำให้คิดเสียสละอยากช่วยเหลือผู้อื่น เพลงที่ท <mister ius> ําให้ชื่นชมธรรมชาติความดีงามของเพื่อนมนุษย์และความดีงามของป่าเขาลําเนาไพลก็น้อยใช่ไหมเพลงที่จะทำให้เกิดปัญญารู้เข้าใจชีวิตเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งน้อยลงทุกทีเลยเราะนั้นจะต้องหันมาเน้นเรื่องเหล่านี้ใช้ไอ้สิ่งที่เขาใช้กันอยู่แล้วเนี่ยมาชักจูงเพราะว่าศีลห้ายังไม่ได้ไปแตะต้องในเรื่องเหล่านี้ในแง่ของการที่ว่าจะต้องงดต้องเว้นไม่มี แต่ว่าทําไงจะให้มันดีทีนี้พอแปดวันทีอุศึกษาบทสดจึงบอกว่าเอานะเรามายองอยู่ด้วยชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองลองอยู่แต่ตัวชีวิตของเราอย่างเดียวไม่มีสิ่งภายนอกเราอยู่ได้ไหมต้องฝึกไว้นะเพราะฉะนั้นเมง่อไงชีวิตของเรานี่ก็หมดอิสราภาพทั้งขึ้นแต่สิ่งภายนอกไม่มีสิ่งบําเรอตาหูจมูกลิ้นไม่มีสิ่งบําเรอริ้นไม่มีสิ่งบริโภคเสพให้อร่อยแล้วอยู่ไม่ได้ก็แย่ เดี๋ยวเวลาท่านเจ็บป่วยทำไงท่านต้องอยู่กับชีวิตท่านคนเดียวถ้าองนั้นท่านก็ทุกทุรนทุรายแย่สิท่านอยู่กับชีวิตตัวท่านไม่พอแล้วท่านแก่ลงท่านเสพสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท่านทําไงท่านไม่ได้ฝึกไว้ท่านก็ทุกทรนทุรายใช่ไหมนั้นต้องฝึกให้อยู่กับตัวชีวิตลําพังไม่ต้องมีสิ่งเสพไม่ต้องมีสิ่งภายนอกให้อยู่กับร่างกายและจิตใจตัวเองเนี่ยให้อยู่ได้สามารถมีความสุขได้นั่นแหละจะเป็นอิสระจริงเพราะนั้นเราก็ฝึก การฝึกในเรื่องศีลแปก็จะเป็นอย่างนี้คือให้อยู่กับชีวิตของตัวเองที่มีร่างกายและจิตใจเนี่ยพออยู่ได้สามารถทำใจได้ฝึกปัญญาตัวเองไดนะ้มีความสุขที่เป็นอิสระจะเจ็บไข้ได้ป่วยนอนบนเตียงก็ไม่ถูกใช่ไหมไม่งั้นแย่สิพอนอนป่วยเขาก็ทุรนทุรายนะ่พะนั้นต้องฝึกไว้คนเรานี่มันไม่ได้มีสิ่งเสพมาบารุงบาเลวตลอดเวลา ชีวิตที่อยู่กับตัวแน่นอนก็คือร่างกายจิตใจของเราเนี่ยฉะนั้นจะต้องใช้มันให้เป็นฝึกมันให้ดีพัฒนาศึกษามันตลอดเวลา เ, เอาละครับก็ไปอันว่าเรื่องของศีลนี่มีประโยชน์หลายอย่างนหนึ่งก็คือไม่เบียดเบียนกันในสังคมเกื้อกูลกันสองก็คือเป็นเครื่องฝึกชีวิตให้มีสรภาพมากขึ้นขึ้นต่อสิ่งเสพ บริโภคน้อยลงสามารถอยู่กับชีวิตจิตใจตัวเองแล้วเป็นทางของการที่จะพัฒนาจิตใจและปัญญายิ่งขึ้นไป น, ะนี้ต่อไปก็ไปประสานกับภาวนาพอเรามีศีลในขั้นของศีลที่ปฏิบัติต่อวัตถุภายนอกสิ่งเสพในระดับศีลแปดแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาปัญญาก็พัฒนา เริ่มแต่ทา่าทีของจิตใจต่อเพื่อนมนุษย์ที่มีเมตามาตาเมตีแล้วก็พัฒนาเรื่องของสติสมาธิเรื่องของจิตใจที่เข้มแข็งอะไรต่างๆความเพียรพยายามแล้วก็พัฒนาเรื่องปัญญานะการเรียนรู้การหาความรู้แล้วก็การรู้เข้าใจโลกชีวิตตามเป็นจริงก็พัฒนาขึ้นขึ้นไปเรื่อยนะนี่แหละก็เห็นจะพอสมควรวันนี้เน้นเรื่องศีล น, นะฮะ แล้วก็พอศีลมันก็ไปเป็นฐานปัญญาพอศีลแปดก็อย่างที่เห็นแล้วนี่นําไปสู่การพัฒนาในด้านจิตใจและปัญญาที่เรียกวภาวนาได้อย่างดีทีเดียวก็รับกันหมดทั้งชุดฐานศีลภาวนาคิดว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลามีอะไรสงสัยไหมอ่า อา้าวเราก็ย้ายไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์สิจะไปยากอะไรใช่ไหมอันนี้วันนี้มั น, อ, น, น, มนอันนี้มันเรื่องของบัญญตัติใช่ไหมเรื่องของวินัยเรื่องระดับศีลก็เป็นเรื่องของการเอาชีวิตของคนในยุคสมัยนั้นมาใช้ประโยชน์สมัยนั้นเขาอยู่ด้วยปฏิทินจันทรคตินิยุคพุทธกาลใช่ไหมเขาไม่รู้จักปฏิทินศุริยคติเขาก็ต้องใช้วันพระจันทร์เป็นยังไงพระจันทร์ครึ่งดวงพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ หมดดวงใช่เอาอย่างนี้มาเป็นหลักกำหนดทีนี้คนสมัยนี้ไม่ได้มองดูพระจันทร์แล้วนะบางคนนะอยู่อาทิตย์หนึ่งหรือบางคนเดือนหนึ่งไม่ได้เห็นพระจันทร์เลยเชื่อไหมนะคนสมัยนี้ห่างธรรมชาติมากนะพระอาทิตย์บางทีก็เห็นแต่แสงพระอาทิตย์แต่ว่าไม่ได้ดูดวงอาทิตย์บางทีก็เห็นโดยบังเอิญขับรถไปนะไม่ได้มีอากาศดูธรรมชาติล่ะ บางคนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเช้าออกจากบ้านออกจากห้องแอร์ขึ้นรถไปแลก็กไปติดแอร์อีกก็รถไปถึงที่ทํางานก็เข้าห้องแอร์ต่อออกจากห้องแอร์เข้าห้องแอร์เข้ารถแอร์มานอนในห้องแอร์ไม่ได้เจออะไรเลยธรรมชา ต, ติชีวิตก็อยู่กับเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยไม่ได้สัมผัสกับความเป็นจริงของโลกและชีวิตอันนี้เรามาอยู่ในโลกสมัยปัจจุบันนี้ก็ เราก็จะใช้ปฏิทินสุริยคติก็ใช้สาวาทิตก็ปฏิบัติไปตามหลักการเนี่ยนะก็คือว่าเอาอยัางไงก็ได้ให้มันได้ตามที่ว่ามันเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยก็เจดดวันทีนก็ฝึกในเรื่องของการที่จะให้มีชีวิตที่เป็นอิสระขึ้นต่อ ว, วัตถุเสพบริโภคให้มันน้อยหน่อยแล้วเอาเวลานั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมาพัฒนาเรื่องจิตใจและปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป ถ้าคนไทยรู้จักใช้อุโบสถทศีนนี้ให้เป็นประโยชน์นะครสังคมจะได้ประโยชน์มากแล้วเราจะมาพัฒนากันในเรื่องกิจกรรมว่าในเมื่อวันนี้เรางดเว้นรายการเรื่องเสรษบริโภคบำรุงเอความสุขด้านกายแล้วเนี่ยเราจะจัดสรรเวลาอย่างไรให้ดีในระดับสังคมเลยเป็นกิจกรรมร่วมกันแม้แต่ทีวีสื่อมวลชนเนี่ยแปดวันครั้งหนึ่งวันที่แปดนี่เปลี่ยนเลยรายการใช่ไหมฮะอ่า รายการเทิดศึกษาสร้างสรรหาความรู้สังคมมันจะได้มีหลักมิงานก็เสพมาเจ็ดวันวันที่แปดเสพให้หนักขึ้นไปอีกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถูกไหมเนะี่ยวันที่แปดนี้ตัวร้ายเลยกลายเป็นวันแห่งความเสพความหลงล้วเริงความมัวเมาโดยสิ้นเชิงเลยแลวก็สังคมไม่ วิบัติแล้วจะไปรอเมื่อไรใช่ก็ต้องแย่แน่ๆนะเพราะฉะนั้นหนียากนะถ้าขืนอยู่กันอย่างนี้แตนะ่ว่าสังคมอเมริกันมันก็จะไปไม่รอดอยู่แล้วเวลานี้ก็ครูอาจารย์ในโรงเรียนก็มาตั้งขบวนการทีวีฟรีอเมริกาเดี๋ยวนี้มีขบวนการนีพรพะเห็นโทษภัยของทีวีมากเด็กเสียหมดวโอเลนส์ความรุนแรงอะไรต่างๆมากมายอันนี้พวก ครูอาจารย์ก็ทนไม่ไหวตั้งขบวนการทีวีฟรีอเมริกาอเมริกาที่ปลอดทีวีว่างั้นนะนบอกอย่างน้อยถ้าไม่ได้เลยก็ให้ได้สักสัปดาห์ให้เป็นสัปดาห์ปลอดทีวีแต่ก็ยังสู้กันอยู่แต่ต่อไปก็ยิ่งลำบากเข้าไปนอย่างที่หนังสือ telling the truth ของคุณผู้หญิงคนหนึ่งแกเคยเป็นอะไรเป็นประธาน เป็นประธานสมาคมมนุษยศาสตร์แห่งชาติก็มีตำแหน่งสูงอ่ะแกก็เขียนหนังสือชื่อ telling the truth ที่ว่าลักษณะการฆ่ า, ก, ากันตายในหมู่เด็กวัยรุ่นของอเมริกันเดี๋ยวนี้มันรุนแรงมากขึ้นอันนี้แกก็เล่าตัวอย่างอันนี้ตามาเคยเล่าหลายแห่งนะแกเล่าบอกว่ามันไม่มีความรู้สึก ในความเจ็บปวดความตายของผู้อื่นเลยก็เล่าถึงว่าคนขายไอศครีมคนหนึ่งก็ขี่รถขายไอศครีมเข้าไปที่ภาคใต้ของเมืองฟนะิลาเดลเฟียเนเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอเมริกาทันี้ก็เข้าไปในหมู่เด็กไปขายไอศครีมอเด็กคนหนึ่งเข้ามาขอตังค์แก เด็กวัยรุ่นอายุสักสิบหกสแกก็ไม่ให้มันก็โกรธก็ควักปืนมาเด็กวัยรุ่นอเมริกันนีม่มีปืนใช้กันเกลอือไปโรงเรียนยังเด็กปถมเ่าปืนไปยิงกันที่โรงเรียนเลยนะฮะใอเมริกาอันนี้ไอ้เจ้าเด็กวัยรุ่นคนนี้พอคนขายสกรีมมาให้ตามมันโกรธมันก็ควักปืนมายิงเลย ยิงแล้วคนขายสอครีมก็ลงไปนอนกลิ้งจะตายไอเด็กวัยรุ่นคนอื่นอีกเยอะเลยคงได้ยินเสียงปืนก็มากันพอมาแล้วแทนที่จะไปช่วยหรือมีความรู้สึกสงสารอะไรไม่มีหรอกมายืนล้อมกันแล้วดูคนจะตายแล้วร้องเพลงแรปซองแรปซองนี่คือเพลงที่พูดไปด้วยพูดไปร้องไปเป็นพูดเป็นคำธรรมดา ร้องแรปส่งสนุกสนานทีนี้คนขายไอศครีมเป็นคนที่เป็นคนเล่าเรื่องเนี่ยก็ขับรถตามเข้ามาก็เห็นเหตุการณ์นี้แกก็ใจเสียหมดเลยนะฮะก็ไอพวกเด็กนี่จะข้ามาขอสตังก์กันอีกแหละนะฮะแล้ว แ, ลแกไม่ไม่ได้เล่าของนี้เขาไม่ได้เขียนไว้ว่าแกทำไงแต่ว่าแกพูดไว้ว่า คนพวกนี้เด็กพวกเนี้มันดูคนตายเหมือนกับดูแมวตายว่างั้นนี่คนที่เขียนนี่แกก็วิเคราะห์ว่าทําไมจึงเป็นอย่างนี้แกก็บอกว่าก็เพราะว่าพวกสื่อมวลชนทีวีเป็นต้นวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยมันกล่อมเด็กตลอดเวลาให้เห็นแต่รายการรุนแรงจนกระทั่งเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เห็นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรายการเอนเตอร์เทนเมนต์หรือเป็นโชว์เท่านั้นหมายความว่าเด็กวัยรุ่นเหล่าเนี้เห็นการตายของคนขายไอศครีมเนี่ยเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นรายการบันเทิงอันหนึ่งในทีวีหรือเหมือนกับโชว์อันหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นมันก็ไม่รู้สึกอะไรอันนั้นก็หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เขียนไว้ว่า เวลานี้การฆ่ากันตายในสังคมเมริการในหมู่เด็กวัยรุ่นนะนี่พูดถึงวัยรุ่นวัยรุ่นฆ่ากันตายเพิ่ม 400% ในช่วง30ปี 400% ก็คือ4เท่าตัวนะเพิ่ม 400% การฆ่ากันตายในหมู่เด็กวัยรุ่นไม่ใช่หมายความว่าฆ่าเฉพาะวัยรุ่นด้วยกันนะหมายความเด็กวัยรุ่นเป็นตัวผู้ฆ่าอาจจะฆ่าคนโตคนเล็กกันแล้ว แ, ลแต่เพิ่ม 400% หนึ่งแล้วนะ สองก็คือว่าสถิติค่ากันตายนี้สวนทางกับสถิติการเพิ่มประชากรเพราะว่าการเพิ่มประชากรเขาเป็นการนี้จะเพิ่มที่คนแก่ส่วนเด็กจะลดในขณะที่ไอ้คนวัยรุ่นค่าตัวตายกลับเพิ่มสถิติทั้งทางที่สถิติการเกิดมันน้อยลงใช่ั้ย <laughs> ก็แสดงว่าเพิ่มกํหลังสองสามก็คือว่าค่าโดยไม่มีเหตุผล คือไม่จำเป็นจะต้องโกรธเกลียดแค้นกันไปแล้วก็ไปตามค่าคืออยู่ๆคิดไม่พอใจขัดใจไม่สบายใจขึ้นมาอาจจะเอาปืนขึ้นไปบนหลังคาแล้วยิงกลาดใครผ่านมาก็เอาถึงนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นไว้ใจไม่ได้ค่าทรงเดชเนี่ยสามแล้วนะค่าไม่มีเหตุผลสี่าแล้วเฉยไม่รู้สึกอะไร ไม่รู้สึกเดือดร้อนใจไม่รู้สึกว่าจะมีความผิดอะไรอย่างที่ว่ามันรอ้รองเพลงแหลบส่องอยอีกใช่ไหมถ้าอย่างนี้แลอารยธรรมจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหม้นเมืองไทยนี่ไม่ช้านะถ้ายัางขืนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันก็ชักจะเป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไมมีแต่รายการทีวีที่ฆ่ากันยังดุเดือดห้าหันกันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนั้นะ สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีโอกาสดีแต่ไม่ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการที่จะได้บทเรียนจากสังคมอื่นแล้วก็แก้ปัญหากลับเอาแต่ตามเขาไปนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าการศึกษามันไม่ถูกต้องการศึกษามันไม่ได้เข้าหลักการเลยการศึกษาที่เราจัดกันปัจจุบันนี้นะมันเป็นเพียงการเรียนชิ้นส่วนหนึ่ง เรียนเรียนวิชาหนังสือเรียนอาชีพอะไรเท่านั้นเองการศึกษาอย่างที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยมันเข้าไปมีส่วนอยู่เพียงนิดเดียวเะ น, นั้นตั้งแต่ในครอบครัวตั้งแต่เด็กเนี่ยต้องฝึกให้ถูกต้องถ้าให้การศึกษาอย่างที่พระเจ้าสอนเริ่มจากชีวิตประจําวันรู้จักกินเป็นบริโภคเป็นนะบริโภคดยปัญญากินพอดีนะกินด้วยความมุ่งหมายเพื่ออะไรต้องถาม กินเพื่ออันนั้นใช้ตาหูฟังใช้ตาดูหูฟังให้เป็นดูทีวีให้เป็นเนี่ยการฝึกการศึกษาเบื้องตน้นตั้งแต่เด็กเกิดมาก็ต้องมีวิธีอบรมเลี้ยงดูให้เขาไม่ใช่ไม่ใช้มุ่งแต่ใช้ตาดูหูฟังเพื่อเสพเท่านั้นต้องใช้เพื่อศึกษาและสร้างสรรค์ใช่คนที่มีการศึกษาก็วัดด้วยการใช้ตาดูหูฟังให้เป็น ชีวิตประจาวันเนี่ยการศึกษาไม่ใช่ไปดูไปเรียนในชั้นเรียนใช่ไหมก็เริ่มตั้งแต่คุณอยู่กับตาหูคุณเนี่ยคุณใช้มันเป็นไหมใช้เพื่อเสพจนเคยก็ใช้เพื่อศึกษาบ้างสี่ใช้เพื่อเรียนรู้หาความสุขจากการศึกษาหาความสุขจากการเรียนรู้พอคุณใช้ตาดูหูฟังเพื่อการศึกษาต่อไปคุณจะก็คุณก็จะรู้จักใช้มือและสมองเพื่อสร้างสรรค์แต่ถ้าคุณใช้ตาดูหูฟังเพื่อเสพ คุณก็จะใช้ตาดูใช้สมองและมือเพื่อแย่งชิงและทาร้ายผู้ อ, อื่นใช่ไหมอ่าเนีาตาดูหูฟังเพื่อศึกษาต่อไปมือและสมองก็สร้างสรรค์นนั่นทางแยกมันอยู่ที่นี่แล้วเราให้การศึกษาเพื่อฝึกตาหูบ้างไหมใช่ไหมเรามีแต่ตามใจแล้วก็อย่างที่พูดเมื่อวานว่า การศึกษากลายเป็นการพัฒนาความสามารถเพื่อหาสิ่งเสพใช่ไหมก็สนองให้ความต้องการในการใช้ตาดูหูฟังเพื่อเสพก็จบเข้าแนวการไปหมดเลยดังนั้นการศึกษาอย่างนี้ไม่ใช่การศึกษาเรียกชื่อแต่การศึกษาแต่มันไม่ใช่การศึกษาใช่ไหมฮะมันจะศึกษาไงมันไม่ได้ทําให้คนได้เรียนรู้หรือพัฒนาขึ้นไปเลย มันจะเป็นว่าทำให้คนมีความสามารถในการสนองสัญชาตญาณเดิมเท่านั้นเองให้ยิ่งขึ้นก็นั ก, กันึ่งก็นั่นสิก็พุทธศ า, ารนาก็บอกว่าทางเลือกระหว่างกาลยานามิตรกับปาประมิตรใช่ไหมไปเจอปาประมิตรก็ชักนำไปในทางร้าย ต้องเจอการละยานำมิตรชักจูงในทางพฤติกรรมดีงามในทางจิตใจดีงามในการทำให้เกิดปัญญาอันนี้มันไม่เกิดะมันเกิดโลภะโทสะโมหะชักจูงกันไปหนักเข้าไปอีกในการทีวีที่สัมภาษณ์นักราทเออนั่น ส, นนสินั่นก็อันหนึ่งแต่อะไรอีกอ๋ อ, อแล้วก็คือสาระสาคัญก็คือว่าโดยลาเนี้ย เพราะเราให้การศึกษาแบบนี้ที่ไม่ใช่การศึกษาเนี่ยคนมันก็จะไม่คำนึงถึงใครอื่นแหละมันจะมุ่งหาความสนุกสุขสนุกสนานของตัวเองไม่คำนึงใครเรื่องของฉันใครไม่เกี่ยวใช่ไหมเน่ยฉะนั้นไม่ต้องแขกใครฉันจะหาความสุขสารานยังไงฉันจะดำเนินชีวิตยังไงเปนเรื่องของฉั น, นไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมไม่ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของใครทั้งสิน้น ตอนนี้กำลังเป็นมากขึ้นนะอย่างอาจจะเป็นอย่างดาราที่ท่านเล่าเมื่อวานที่มาให้สัมภาษณ์ทางทีวีเป็นรายการสนุกสนานพูดถึงตัวเองไปทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเหลวไหลเลอะเทอะรุมหลงโมมาว่าเล่าด้วยความภูมิใจนะแล้วก็เขาถามว่ามาทาอย่างนี้จะเล่ามาไปทำมาแล้วมาเล่าอย่างนี้จะดีหรือ ก็บอกอ้าวก็เรื่องของผมนี่อ่อะไรทํานองเนี้ใครจะเป็นไงก็เป็นเรื่องของเขาสิฉันทําอย่างนี้อะไรเงี้ยคือไม่ต้องคิดถึงสังคมจะเป็นยังไงจะเป็นปัญหากับคนอื่นยังไงจะเป็นตัวอย่างตัวเองเป็นดาราแล้วเด็กทั้งหลายที่เกิดตามมานี่ยมันมีค่านิยมตามเนี่ยมันจะเสียหายยังไงไม่ได้คํานึงเท่านั้นเอ่เป็นเรื่องของฉันฉันจะทําใครจะว่าไงก็ เ, เรื่องของคุงนงั้นนะอยากมาตามฉันเองนี่ใช่ไหม นั่นก็ไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรนี่นี่แหละสภาพอย่างนี้จะเกิดมากขึ้นถ้าเมืองไทยขืนเดินไปในทิศทางอย่างนี้ใช่ไหมจะไปแก้ปัญหาอะไรล่ะมันก็สภาพจิตก็เด็กดุนหลังก็ชอบดาราที่เป็นอย่างนี้เขามีท่าทีทัศนคติพฤติกรรมแบบนี้ตัวเองก็พลอยว่าไปตามเขาทําไปแล้วเขามีความรู้สึกอย่างนี้เขพูดแบบนี้ตัวเองก็พูดอย่างนั้นด้วยใช่ไหม ทุกคนทำแบบนี้ก็คือความย่อยยับของสังคมนั่นเองแต่นั้นแก้ยากแล้วนะสังคมในขณะดนี้แต่ก็ต้องไปเริ่มมาในการแก้ปัญหาระยะยาวก็เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่อบรมในครอบครัวเนี่ยเพราะพ่อแม่พระพุทธเจา้จาจัดไปแล้วเนี่เป็นบูรพาจารย์อาจารย์คนแรกอาจารย์คนแรกอยู่ที่บ้าน ถ้าอาจารย์คนแรกนี่ทำเสียแล้วก็อาจารย์คนที่สองที่โรงเรียนนี่แก้ทําไม่ไหวรับมือไม่ไหวเไม่ต้องไปสร้างสรรค์ต่อถ้าอาจารย์คนแรกที่บ้านเตรียมพื้นฐานวางพื้นมาดีครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็มาต่อมาเสริมเท่านั้นเองนี่ตอนนี้ครูอาจารย์ที่โรงเรียนหนึ่งก็ไปรบไปแก้ปัญหาจากบ้านไม่ไหวสองตัวเองก็ไม่มีกําลัง สาดีไม่ดีตัวเองนั่นแหละกลับนําไปในทางที่ผิดก็มีใช่ไหมเนี่ยครัวอาจารย์ที่ดีก็มีน้อยลงก็กําลังก็ไม่มีก็หมดแรงนั้นเวลานี้ยาเสพติดอะไรต่างๆก็เข้าไปทุกสถาบันแม้แต่ในโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยแล้วดีไม่ดีก็มีข่าวมาเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่เป็นผู้ขายยาเสพติดซะเองอะไรอย่างเนี้ยออก็มีใช่ไหม ออกมาเป็นข่าวอะไรเลยพอนะถ้าไม่ล่ะอ๋อเลือ เลยฮต้องใช้วิธีวัดมาวัดกันอเดออเอาก็ยังดีก็นี่แหละ <c oughs> กับโบราณก็ยังใช้วิธีนี้ไงคนแก่ก็ถึงวันอุโบสถก็มาวัดใช่ไหม <c oughs> ก็จะได้ให้บรรยากาศมันช่วยเรามาอยู่ในชุมชนเดียวกันชุมชนคนที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันต้องการอย่างเดียวกันจะได้มาทํากิจกรรมแบบเดียวกันนะมันจะได้เสริมกันไปนกะ็อาศัยสภาพแวดล้อม ของวัดบรรยากาศของวัดพร้อมทั้งผู้คนที่ร่วมอุดมการก็อันนั้นก็มีส่วนตัวคนเดียวถ้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นก็ถูกกลืนง่ายแต่ก็ถ้ามีความเข้มแข็งก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปก็อาจจะช่วยนำผู้อื่นด้วย สังคมก็เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มจากการที่มีผู้ที่เห็นเห็นภัยเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์สิ่งที่ดีงามแล้วก็ค่อยๆเริ่มจากตนเองไปแล้วก็ค่อยๆส่งอิทธิพลไปสู่คนที่แวดล้อมเอามื่อวันนี้นะนีก็คุยกันไปวันนี้มาถึงเรื่องสีแปดก็คงจะเข้าใจวัตถุประสงค์ แนวความคิดความมุ่งหมายที่แท้จริงแล้วอันหนึ่งที่ต้องเตือนก็คืออย่าถือศีลแปดสักแต่ว่าทําตามๆกันไปบางทีญาติโยมก็เพลินก็ได้รูปแบบก็เป็นประโยชน์ไปด้วยในตัวโดวยแต่เป็นประโยชน์โดยไม่รู้ตัวถ้าเป็นประโยชน์ด้วยปัญญาที่เข้าใจโดยยิ่งดีเพราะนั้นญาติโยมบางทีท่านผู้สูงอายุเนี่ยก็สักแต่ว่าไปรักษาโบสนสนศีลแปดให้ได้บุญเท่านั้นเองคือเข้าใจแค่นั้นไม่ได้นึกว่า มันมีความหมายอีกเยอะแยะเป็นการฝึกมนุษย์เพราะเป็นสิกขาบทใช่เอาแล้วครับวันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้ก่อน